2. มหาสมุทรเทอัตถฉริยะว่าด้วยความอัศจรรย์ของมหาสมุทรแปดประการลำดับนั้น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 ต่ำไปโดยลำดับลาดไปโดยลำดับลึกลงไปโดยลำดับไม่ลึกชันดิ่งไปทันทีพิกสุททั้งหลายข้อที่มหาสมุทรต่ําไปโดยลำดับลาดไปโดยลำดับลึกลงไปโดยลำดับไม่ลึกชันดิ่งไปทันทีนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ ประการที่หนึ่งในมหาสมุทรที่พวกอาสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรสน้ำในมหาสมุทรมีปกติคงที่ไม่ล้นฝั่งภิกษุทั้งหลายข้อที่น้ำในมหาสมุทรมีปกติคงที่ไม่ล้นฝั่งนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ ไม่เคยปรากฏประการที่สองในมหาสมุทรที่พวกอาศูนพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร ม, มหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพย่อมซัทซากศพขึ้นฝั่งจนถึงบนบกทันทีภิกษุทั้งหลายข้อที่มหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพ ย่อมสัตว์ซากศพขึ้นฝั่งจนถึงบนบกทันทีนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สามในมหาสมุทรที่พวกอาศูร์พบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรสมหานทีทุกสายคือคงคายมุนาอาจิรวดีสารพู มหีไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโครเดิมของตนรวมเรียกว่ามหาสมุทรทั้งสิน้นภิกษุทั้งหลายข้อที่มหานทีทุกสายคือคงคายมุนาอจิระวดีสรภูมมหีไหลลงสู่มหาสมุทรแล้ว ย่อมละชื่อและโคดเดิมของตนรวมเรียกว่ามหาสมุทรทั้งสิน้นนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สี่ในมหาสมุทรที่พวกอาูนพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร 5. แม่น้ำสายใดสายหนึ่งในโลกที่ไหลรวมลงสู่มหาสมุทร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 ไม่เคยปรากฏประการที่ห้าในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรหมหาสมุทรมีรถเดียวคือรถเข็มภิกษุทั้งหลายข้อที่มหาสมุทรมีรถเดียวคือรถเข็มนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ ไม่เคยปรากฏประการที่หในมหาสมุทรที่พวกอาศูนพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร 7. มหาสมุทรมีรัตนมากมีรัตนหลายชนิดคือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูนสังศิลาประพานเงิน ทองทัพทิมแก้วตาแมวภิกษุทั้งหลายข้อที่มหาสมุทรมีรัตนะมากมีรัตนะหลายชนิดคือแก้วมุกดาแก้วมณนีแก้วไัยทูลสังสิลาประพานเงินทองทัพทิมแก้วตาแมวนี้ เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่เจในมหาสมุทรที่พวกอศูน์พบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร 8. มหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่คือปลาติมิปลาติมิงคละปลาติมิติมิงคละ ปลามาหาติมิงคละอาูนนาคนทันมีลำตัวหนึ่งร้อยโยตบ้างสองร้อยโยตบ้างสามร้อยโยตบ้างสี่ร้อยโยดบ้างห้าร้อยโยดบ้างภิกษุทั้งหลายข้อที่มหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่คือปลาติมิปลาติมิงคละ ปลาติมิติมิงคละปลามหาติมิงคละอสูรนาคนทันมีลำตัวหนึ่งร้อยยดบ้างสองร้อยยดบ้างสามร้อยยดบ้างสี่ร้อยยดบ้างห้าร้อยยดบ้างนี้เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่แปดในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้ว ต่างพากันยินดีในมหาสมุทร